ก็ยิ่งมีความทุกข์ร้อนมากขึ้นไปอีกมีหลายต่อหลายรายเลือเกินที่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้เคยเป็นคนใหญ่คนโตมีผู้คนยกย่องนับถือยังมากมายแต่เมื่อมาสู่ที่นี่แล้วกลับรู้สึกว่าตนเองด้อยและหมดค่าลงไปแทบไม่มีอะไรเหลือเลยในทํานองเดียวกันก็มีหลายต่อหลายรายที่เมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ตาต้อยและอาภัพเสียเหลือประมาณ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 ไม่มีซับซ้อนและยุ่งเหยิงดังเช่นภาวะของโลกมนุษย์นั่นเลยหลายต่อหลายอย่างมักกลายเป็นของง่ายเสียจนแทบคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเพราะหนที่นี้เราไม่ต้องผจนกับปัญหาต่างๆที่ทําให้ชาวโลกมนุษย์ต้องประสบความอึดอัดขัดข้องและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและการเมืองซึ่งได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่แก่โลกมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย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 ดอกไม้และดินต่อไปนี้เพื่อสนองความต้องการของชาวโลกมนุษย์ผู้ใคร่ทราบความเป็นไปและสภาพของสิ่งต่างๆในโลกทิพย์โดยละเอียด้าพเจ้าจะนำเรื่องต่างๆสิ่งละอันพันละน้อยเท่าที่เห็นว่าสมควรมาบรรยายให้ท่านได้ทราบเป็นลำดับไปเรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องดินถ้าโลกทิพย์มีจริงจะอยู่ที่ไหน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 ก่อนที่จะบรรยายให้ท่านทราบถึงลักษณะของพื้นดินในโลกทิพย์ต้องขอให้ท่านทั้งหลายเลือกคิดตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์เสียก่อนก่อนอื่นใกล้ขอบอกให้ท่านทราบว่าในดินแดนเช่นนี้ไม่มีถนนเหมือนอย่างถนนของโลกมนุษย์เรามีทางเดินกว้างขวางทั้งในเขตเมืองหรือนอกเมืองทั่วไปหมดทุกหนทุกแห่งแต่ทางเหล่านี้ไม่ได้ปูลาดด้วยวัตถุที่แข็งเพื่อทําให้ทนทานสามารถรับน้ําหนัก ของการจะราจจรด้วยยวดยานต่างๆได้เหมืนอนดังที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์เนื่องจากเราไม่มีการจะราจรโดวยยวดยานหนักเช่นนั้นทางหรือถนนของเราจึงปูลาดด้วยหญ้าสีเขียวสดชื่นที่สุดและหนาแน่นที่สุดตลอดเวลาที่เราเดินไปจะรู้สึกอ่อนนุ่มเหมือนกับเดินไปบนพรมที่ดีที่สุดฉชนนั้นนี่แหละคือลักษณะของถนนหรือทางเดินของเรา อันหนึ่งยาที่งอกปกคลุมพื้นถนนอยู่นั้นก็จะไม่งอกงามจนเกะ ก, กะลาดูน่ากเกลียดไปได้เลยมันจะคงอยู่ในขณะที่เหมือนกับว่าได้ถูกตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องตัดหญ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในที่นี้ขอท่านอย่าได้เข้าใจว่าเป็นหญ้าเทียมเลยทีเดียวเพราะความจริงมันก็เป็นหญ้าที่มีชีวิตเช่นเดียวกับหญ้าในโลกมนุษย์นั้นเหมือนกันในบางแห่งเมื่อไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องใช้ทางอันกว้างใหญ่เช่นนี้เราก็มีทางขนาดย่อมไว้แทนและในบางแห่งเมื่อเรารู้สึกว่าการมีทางปูลาด้วยหญ้าเช่นนั้นจะไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากับภูมิประเทศเราก็มีทางชนิดอื่นตามความเหมาะสมเหมือนกันส่วนมากทางเช่นนี้ปูลาด้วยวัตถุซึ่งเมื่อดูเผลอๆก็อาจจะคล้ายๆกับหินดังเช่นในโลกมนุษย์ แต่โดยเนื้อหาแล้วก็มีคุณสมบัติเหนือกว่ากันมากเพราะนอกจากจะมีสีสดใสกว่ากันแล้วยังไม่มีความหยากระด้างดังเช่นหินในเมืองมนุษย์อยู่เลยเมื่อเราเดินไปบนพื้นหินเช่นนี้จะรู้สึกว่ามีคุณสมบัติหยุนตัวได้อย่างประหลาดอันที่จริงข้าพเจ้าก็อยากจะอธิบายถึงความรู้สึกของเราให้มากกว่านี้แต่ก็จนใจที่ไม่สามารถหาคาพูดปัญญาทเห็นความจริงได้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 มันอย่างของแข็งทั้งหลายในโลกมนุษย์ก็ตามแต่ก็จะปรากฏความอ่อนนุ่มต่อการสัมผัสมากขึ้นตลอดจนสีสันวันนะของมันก็จะสดใสเป็นเงางามยิ่งขึ้นทุกขณะในทางตรงข้ามเมื่อเราเดินไปสู่ภูมิต่ำใกล้เข้าไปทุกทีเห็นเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนลนะักษณะเป็นแข็งกระด้างและสีคล้ำลงทุกขณะเช่นเดียวกันรอบๆ บ, บริเวณบ้านของเรา ก็มีสนามหญ้าแปลงดอกไม้และไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ทั่วไปทางเดินในสวนเหล่านี้ก็จะปูลาดด้วยหินดัทงที่ได้กล่าวมาแล้วสำหรับดบินเปล่าๆนั้นเราจะหาโอกาสเห็นได้น้อยเต็มทีเมื่อมองจากหน้าต่างบ้านของข้าพเจ้าออกไปจะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มและมีบ้านตั้งอยู่ห่างๆกันในระหว่างป่าละมาะและสวนนันน่าเพลิดเพลินจเจริญใจยอย่างยิ่งนั้น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 เทวทิขาพระเจ้าสังเกตมารู้สึกว่าสีของดินที่นี่ดูเหมือนจะผันแปลไปตามสีของหญ้าหรือดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนนั้นซึ่งมากกว่าในเรื่องดอกไม้นี้ปรากฏว่าจำนวนหรือสีสันของมันนั้นโลกมนุษย์ไม่มีทางที่จะมาเปรียบได้เลยที่นี่มีดอกไม้นาน า, นาพันธ์แต่ละอย่างล้วนมีสีสันวันณนะสวยสดงดงามทั้งสิน้นบางอย่างก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ และบางยานก็มีอยู่เฉพาะในโลกทิพนี้เท่านั้นทุกดอกอยู่ในสภาพที่บานสะพรั่งเต็มที่และมันจะบานอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีเหี่ยวแห้งหรือโรยราตราบใดที่เขายังไม่ต้องการที่มันเหี่ยวแห้งไปกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านี้ปุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศโดยรอบทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องบารุงกาลังแห่งดวงจิตของเราให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลา ความรักและความชื่นชมของเราที่มีอยู่ต่อดอกไม้เหล่านี้นั่นเองที่สามารถรักษามันไว้ได้ตลอดเวลานานเท่า น, านั้นโดยไม่มีการเหี่ยวแห้งหรือเสื่อมสลายไปหากเราค่อยบรรจงกำดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือเราจะรู้สึกว่ามีพลังชนิดหนึ่งคล้ายคายกับกระแสแม่เหล็กไหลซ่านเข้าสู่ตัวเราเป็นพลังที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งอย่างบอกไม่ถูก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 ลักษณะของพื้นดินค่อยๆสูญเสียความสดใสของสีและความละเอียดของเนื้อดินลงยิ่งขึ้นทุกทีโดยจะมีความเย็นชื้นหยากระด้างและสีซีดลงจนในที่สุดก็จะกลายเป็นหินแข็งก้อนเล็กๆและต่อมาก็จะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นทุกทีต้นไม้ใบหญ้าตามแถบนี้อาจจะมีบ้างก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองคล้ำและแห้งผากหาความสดชื่นไม่ได้เลย หากเราเดินทางขึ้นไปสู่ภูมิสูงสีของดินจะเพิ่มความสดใสเป็นประกายยิ่งขึ้นและเนื้อก็จะละเอียดยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นความหยุ่นหรือความอ่อนนุ่มก็จะรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นทุกอย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าหากเราก้มลงดูโดยใกล้ชิตจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆเพชรพลอยฉนนั้นทั้งในด้านสีและรูปร่าง รูดและข้าพเจ้าเคยหยิบขึ้นมาดูกรรมือหนึ่งแล้วลองปล่อยให้ร่วงไหลออกจากมือของเราทีละน้อยน่าแปลกประหลาดเหลือเกินที่ในขณะที่มเมล็ดของดินอันละเอียดร่วงพลูกออกจากฝ่ามือของเราเป็นสายลงไปนั้นก็มีเสียงดังแว่วเบาเกิดขึ้นเป็นเสียงแหลมไพเราะเหมือนเสียงดนตรีคล้ายกับว่ามเมล็ดของมันได้ถูกปร่อยร่วงลงไปกระทบลิ้นเสียงของเครื่องดนตรีอันแสนละเอียดอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้น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 ความสูงต่ำหรือความแหลมทุ้มของเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมจะพันแปรไปตามความเข้มหรือจางของสีชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยในย่ากลับกันถ้าท่านกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้บังเกิดเสียงเช่นเล่นเครื่องดนตรีเป็นต้นท่านก็จะได้เห็นสีปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถใช้เสียงอันเกิดจากการบรรเลงดนตรีของเขานั้น ทำให้เกิดแสงสีสลับซับซ้อนกลมกลื่นกันดูดสีทองอันรุง้งเกี่ยวกระวัติกันไปมาได้อย่างน่าดูยิ่งในท่านองเดียวกันนักร้องก็สามารถใช้เสียงของเขาเองสร้างแถบรุ้งสีต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างงดงามสีต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะมีความผ่องใสหรือบริสุทธิ์เพียงใดก็สุดแล้วแต่ความบริสุทธิ์ของเสียงของนักร้องผู้นั้นหรือของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเป็นสำคัญ